ไม่มีการปฏิบัติอย่างอื่นใดอีกต่อไปแล้วการปฏิบัติมีเท่านี้เองมีแต่าการมีสติรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามลงปัจจุบันรู้ตามความเป็นจริงรู้เท่านี้เองนะถ้าใครไม่มีสติใช้ไม่ได้ถ้ามีสติแล้วไม่รู้กายรู้ใจแต่ไปเพ่งกายเพ่งใจใช้ไม่ได้เพราะต้องมีสติรู้กายรู้ใจต้องรู้ตามความเป็นจริงด้วยไม่ใช่รู้เราดัดแปลงไม่ใช่รู้เราแก้ไขไม่ใช่รู้เราอยากให้มันเป็นอย่างอื่น มันเป็นยังไงจริงๆมันเป็นไงต้อรู้อย่างนั้นเ้านะ ร, รู้ด้วยจิตที่เป็นกลางรู้แล้วหลงยินดีรู้แล้วหยหลงยินลายก็ใช้ไม่ได้เนะี่ยจุดที่ผิดพลาดเนีะยผิดตรงนี้เองอันแรกเลยไม่มีสติจริงนะอันที่สองพอมีสติแล้วก็ไปเพ่งรูปเพ่งนามหรือไปเพ่งอย่างอื่นนะไปเพ่งอย่างอื่นก็ได้เช่นไปเพ่งความว่างเพ่งไฟเพ่งน้าเพ่งดินเพ่งกสินอะไรพวกนี้นะ